ตัดเย็ดกีวรยมก็าถาตท่านถวายผ้ามาให้ตัดเย็บกีวรก็มีพระสงฆ์ในวัดช่วยตัดเย็ดพระตะก่อนเย็ดด้วยมือพอเสร็จแล้วท่านคงจะมีความรักความยินดีในจีวรของท่านแล้วเผลอตอนกลางคืนเกิดโรคปัจจุบันโรคท้องในท่านได้ตายตอนกลางคืนเกิด ค, ความห่วงใยในกีวร เลยมาเกิดเป็นเดนอยู่ที่นั่นแล้วบรรดาพระสงฆ์จำนวนมากมาต้องมีองค์ไหนจะพูดว่าอย่างไงพระพุทธเจ้าต้องเสด็จมารับสั่งเพราะว่าจีวรผืนนี้จะแจกให้แจกใครไม่ได้ภายในเจ็ดวันวนี่พระติดสะตายแล้วมาเป็นเดนติดอยู่เกาะ อ, อยู่จีวรนี่เวลานี่หึงห่วงอยู่ในจีวรนี้ว่าง ต้องรอเป็กล่าว่าเลนนี้ตายไปแล้วถึงจะแจกกันได้จงควรจะให้องค์ไหนค่อยให้ไปะไระยะนี้ยังให้ไม่ได้ถ้าที่สามมาเป็นตายแล้วมาเป็นเลนเกาะอยู่ในยอรนี้หึงหวงมากมายเวลานี้กลัวใครจะมาแย่งเอาไปวังนั่น<ม>นะฟังดูจงมาทั้งเจ็ดวันนะผ่านไปแล้วยังมารับสารบอกว่านี่แจกแล้ว แกได้แล้วพระจิสสะตายแล้วเล่นตอนนั้นตายแล้วไปสวรรค์แล้วหน่ะแต่ยังไปสวรรค์นะไอเรื่องนี้มันก็ตอนที่ไปไม่ได้ในที่แรกก็คงเป็นความห่วงอันนี้ถึงมันต้องมาเกิดเป็นเรนแล้วเวลาจะตายในความเป็นเรนนี้คงจะหายห่วงแล้วไปสวรรค์ได้นี่เป็นเรื่องของพระพุเทธเจ้า ในธรรมบุตรเห็นได้อย่างชาัดเจนเหนือความเกาะความห่วงใยมันเหมือนกับสัตว์อยู่ปากคอกเส้นวัวเป็นต้นไม่สําคัญว่าจะเป็นตัวเล็กตัวใหญ่ตัวไหนอยู่ปากคลอกตอนนั้นออกก่อนจิตใจขณะใดที่จะออกก่อนได้จะเป็นฝ่ายต่ําฝ่ายสูงไม่สาคัญ มันเป็นอย่างนั้นท่านจึงสอนให้เรมามัดระวังเพราะจิตเป็นของละเอียดและว่ามีกําลังโดยลําพังตัวเองต้องเอาใช้สิ่งอื่นผักดันเช่นฝ่ายต่ำผลักดันให้เป็นยังไงเป็นไปได้เราจึงต้องสั่งสมทั้งความดีจ น, นฝ่ายสูงเพื่อจะผักดันไปทางทางดีจนกระทั่งจิต หมดสิ่งที่ผลักดันโดยประการทั้งปวงไม่ว่าฝ่ายต่ำฝ่ายสูงหรือว่าฝ่ายดีฝ่ายชั่วเป็นอิสระโดยลำพังแล้วนั้นจึงหมดปัญหาไปอันเรียกว่าจิตบริสุทธิ์เราจะเห็นแต่มีผู้ใดมาสั่งสอนอุบายวิธีต่างๆ ในการแก้จิตใจในการชำระความพิรุธของใจชำระสิ่งที่มัวหมองออกจากให้ออกจากใจได้เหมือนเข้าอาวาทของพระพุทธเจ้าไม่เห็นมีใครสามารถเนี่ยโลกเรากว้างแสนกว้างมีประมาณสักกี่ล้านคนใครจะมีอุบายวิธีหรือความสามารถในทางความรู้ความประหลาดเกี่ยวกับทางด้านจิตใจและสิ่งเกี่ยวข้องกับจิตใจนั้ให้ทราบทั้งสองอย่างคือจิตหนึ่ง สิ่งที่มาเกี่ยวข้องกับใจมีอะไรบ้างน่ะแล้วจะแก้ไขกันด้วยวิธีใดหนึ่ให้มีใครสามารถมีพระพุทธเจ้าเท่านั้นเพรา ะ, ะนั้นท่านจึงกล่าวว่าเอกนมมามไม่จริงหนึ่งไม่มีสองคืออะไรคือพระพุทธเจ้าแต่และพระองค์ที่ได้ตรัรสรู้ขึ้นมาในโลกมีแต่ครั้งละองค์เท่านั้นมันหายากผู้ที่จะเป็นสัพพัญญูที่รู้โดยลาพังตนเองได้มาต่างสอนโลก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 1. ไม่มีสองได้แก่พระพุทธเจ้าที่จะมาตรัสลูกได้แต่เพียงขรางละองค์เท่านั้นมีจานวนน้อยมากเพราะเป็นสิ่งที่จะเกิดจะเป็นขึ้นได้ยากที่สุดเนี่ยประการหนึ่งประการที่สองพระวจนะที่แสดงออกแสดงออกด้วยความรู้ความเห็นด้วยความจริงทุกอย่างได้ตรัสอย่างไรแล้วไม่มีสองเลยถึงเรียกว่าเอกานมามจริ คือพยานอย่างทราบเหตุการณ์ทั้งหลายทราบก็อย่างแน่นอนของเราไม่ไม่เป็นอย่างนั้นมันยังทราบเป็นเรื่องหลอกตัวเองอยังทราบดยงนั้นยังทราบอย่งนี้หลอกตัวเองแบบนั้นหลอกตัวเองแบบนี้อยู่วันดั่งค่าคืนดั่งลุมก็ยังไม่เห็นโทษในความหลอกลวงตัวเองยัง อุตส่าห์เชื่อเข้าไปโดยลำดัแบลำดับแล้วไม่ใช่อุตส่าห์นะพอใจเชื่อแบบนั่นเลยวิ น, นาเลยมันผิดกันไหมล่ะกับพยานของพระพุทธเจ้าที่ทรงย่างทราบอะไรแล้วกินขึ้นมาทุกอย่างให้พวกเราย่างลงไปทราบลงไปอะไรเรื่องตั้งกับตั้งกันนานมาแล้วขี่กาเลมันไปย่างทราบมาหมดแล้วก็กว้านเข้ามาเผาตัวเองรอตัวเองอย่างนั้นแหละไม่มีอะไรเล่นกับเงาตัวเอง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 รอดจากทุกข์ขึ้นมาแล้วถึงมาเป็นคนเราจะไปตื่นเต้นตกใจเสียอกเสีใจกลัวอะไรกับความทุกข์ก็เกิดขึ้นมาความกับความทุกข์นี่หากจะเป็นอะไรก็เป็นไปแล้วนี่เวลานี้ไม่ได้เป็นไปเฉยคิดหายบ้าวงหรือตายไปนี้เราก็ไม่ไตายเราผ่านพ้นมาโดยลำดับมียิ่งเวลานี้เป็นเวลาที่เราจะประพฤติปฏิบัติตัวของเราด้วยความรู้แจ้งเห็นจริงโดยทางสติปัญญาแล้วเราจะกลัวทุกข์ยิ่งขัดกับหลักเหตุผลที่จะให้ทราบเรื่องของทุกข์ ถ้ากลัวต้องกลัวด้วยเหตุผลอย่างพระพุทธเจ้าท่านกลัวทุกสาวกท่านกลัวทุกท่านพิจารณาเพื่อจะหาทางลลุดจากทุกโดยทางสติปัญญาศรัทธาของเพียงท่านนั้นถูกต้องการกลัวทุกโดยความท้อถอยอ่อนแอนี้ไม่ใช่ทางทุกเป็นยังไงกําหนดให้รู้เกิดกับทุกทําไมจะไม่รู้เรื่องของทุกเกิดกับสมู ท, ทัยหรือกิเลสกันหาสุวะทําไมจะไม่รู้เรื่องของสมูทยัยสิ่งที่ใจรู้มีอยู่สติปัญญามีอยู่กับทุกคน ศาสนาธรรมท่านสอนไว้กับหัวใจของบุคคลสติไม่หามาจากที่ไหนไม่ต้องหาซื้อมาจากตลาดถ้าเราไปซื้อหนังสือก็มาเป็นเพื่มเพิ่มสติปัญญาขึ้นภายในจิตใจของเหล่า น, นี้ให้สร้างขึ้นสติปัญญาพิจารณาพยายามคิดอ่านซอกแซกทบหน้าทวนหลังอย่าคิดไปหน้าเดียวถ้าคิดไปหน้าเดียวไม่รอบคอบนี่ช่องโหว่ตรงไหนนั่นแหละถ้าเป็นบ้านก่อ จนผู้ร้ายเข้าที่ช่องนั้นช่องโหวของจิตมีตรงไหนกิเลสอัสระเข้าที่ตรงนั้นพเระะพราะกิเลสอัสระคอยที่จะแทรกกิจใจอยู่ตลอดเวลาต้องฝึกหัดสติปัญญาของเราให้ดีอย่าให้เสียเ ว, เวลากับสิ่งใดยิ่งกว่าเสียกับความเพียรซึ่งเป็นผลประโยชน์อย่างยิ่งกับตัวของเราโดยเฉพาะนี้เท่านั้นมีเป็นเป็นจุดสําคัญรพระพุทธเจ้าท่านได้สอน บรรดาพระสงฆ์สาวกพระสงฆ์ทั้งหลายที่ทูลลาพระองค์ไปเที่ยวกรรมถ า, านไปเที่ยวบำเพ็ญสมณธรรมในที่ต่างๆซึ่งท่านเหล่านี้เป็นผู้กําลังศึกษาที่เรียกว่าหากว่าเป็นสําเร็จเป็นอญญายะบุคคลก็ต้องอยู่ในขั้นเสียขับบุคคลที่จะต้องศึกษาเพื่อทําขั้นสูงขึ้นไปเวลามาทูลลาพระพุทธเจ้าจะไปบําเพ็ญสมณธรรมท่านขอรับสั่ง ว่าเธอทั้งหลายไปอยู่ในสถานที่ใดอย่าปราศจากที่พึ่งนะข้ามอยู่ไม่มีที่พึ่งนั้นหาความหมายไม่ได้เลยไม่มีความหมายในตัวบุคคลหาคุณค่าไม่ได้นะพวกเธอทั้งหลายหาทำที่มีคุณค่ามากทำที่มีคุณค่านั้นจะมีจะเกิดขึ้นได้เพราะสถานใดเหตุใดถ้าไม่เกิดขึ้นได้กับความมีสติความมีความเพียรด้วยสติปัญญาตลอดเวลาในเยาวบตต่างๆนี้แหละคือคุณค่าที่จะทําสำนัก ให้จเจริญรุ่งเรืองกลายเป็นคนมีคุณค่าคุณคณ่าขึ้นมาภายในจิใจนี่เราฟังโอวาทของท่านนี่น่าฟังไหมเพราะฉะนั้นบรรดาพระสงฆ์ที่ได้รับพระโอวาทจากพระองค์แล้วต่างองค์ต่างสอดส่หงหาสัมมาธรรมความเป็นสัมมาธรรมในสถานที่ใดท่านจึงเป็นไปด้วยความ ส, มบสงบเสเนียมเป็นไปด้วยความเตรียมเนื้อเตรียมตัวอยู่ตลอดเวลาไม่ประมาทแล้วหาที่เด็ดเดีดเดยว เพื่อความเหมาะสมกับการแก้ทิเลตการฆ่าทิเลตนั่นเองพูดในไหนเมื่อเข้าไปสู่สถานที่เช่นนั้นเอเรื่องความเพียเ้ยนก็มาเองเนี่ยตามปกติมีแต่ความขี้เกียจล่ะทับถมอยู่ตลอดเวลามองหาตัวจนจะไม่ไม่เห็นนั่นแหละมีแต่ความขี้เกียจมากง่ายความบอดแอเต็มอยู่ในตัวของบุคคลทั้งคน เยียบยั่งปัหาโดนแต่ความขี้เกียจของของขนแต่เวลาเข้าไปสู่สถานที่เชนั้นความขี้เกียจมันหมอบตัวหมอบความขายันหมั่นเพียรมันเป็นขึ้นมาเพราะสถานที่เป็นสิ่งแวดล้อมอันสําคัญประมาทไม่ได้เรามีความมุ่งหมายอย่างไรจรึงต้องมาสู่สถานทีน่นี้ความมุ่งหมายเดิมเจตนาเดิมเป็นยางไงก็คือมามุ่งเพื่อสมณะธรรมมาหาในที่สําคัญที่เด็ดเ ด, ดเดียวเพื่อจะได้ตั้งสติตั้งสติปัญญาและความภาคเพลินอย่างเข้มแข็งเนี่ยเมื่อเป็นฉะนั้น และไปอยู่ตูสถานที่นั้นด้วยแล้วสติมันก็มาเองเพราะความระวังตัวใครจะไม่กลัวชจะไม่เสียดายชีวิตไม่อะไรเสียดายชีวิตไม่หงุดงิชีวิตมีเหลือนี่แม้ว่าธรรมจะมีคุณค่ามากในระยะที่จิตมีความหงุดงในชีวิตซึ่งมีคุณค่ามากยิ่งกว่าธรรมย่างนี้นี่ก็เป็นเรื่องของกิเลสอันหนึง่งแต่กิเลสประเภทนี้เป็นกิเลสที่ให้เกิดธรรมมาได้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 เหตุมันขยับเข้าไปตรงนี้ขยับเข้าไปตรงนี้ไอ้เรื่องว่าเสือว่าช้างที่เป็นอันตรายภายนอกมันเลยหายกังวนหายกังวนเพราะตัวนี้เป็นตัวก่อควาลตัวนี้เป็นตัวหลอกลวงก็มาจับจุดที่ตรงนี้ซึ่งเป็นตัวโจรผู้ร้ายยุ่ยแย่ก่อควาลตนจนได้อืมเมื่อเห็นจุดสําคัญที่เป็นตัวก่อเหตุแล้วไอ้จุดนี้มันก็ระงับตัวลงได้เพราะอํานาจของสติอำนาของปัญญาค้นคว้าลงมอบเรื่องความกลัวเลยหายหมดมันจะมันจะไม่หายยังไงก็ปุ๊บ ไปปรุงมันไม่ปรุงเนี่ยพอรู้ตัวของมันแล้วว่า น, นี่ตัวเป็นอันตรายอยาจริงอยู่ที่นี่ไม่ได้อยู่ที่กับสัตว์กับเสือกับช้างอะไรที่ไหนมั่งถึงครจะตายที่ไหนก็ตายคนเรามีปัจฉัย ท, ท, ทุกอย่างทุกหนทุกอิยาบทเนี่ยไปวันปว่นไปไหวอะไรกับเรื่องความเป็นความตายคิเลที่มันพรอบครอยู่ในหัวใจนี้เป็นพลังสาคัญอยู่ตลอดเวลาทุกพบทุกชาติด้วยนี่ควรที่จะแก้ที่ตรงนี้เช่นความกลัวมันก็เป็นเรื่องคิเลตันหนึ่งต้องชาติสติปัญญาหัน เข้ามาที่นี่ย้อนเข้ามาที่นี่จิตนั้นก็สงบตัวลงไปฐานนั้นเมื่อจิตได้สงบตัวลงไปถึงจะคิดจะปรุงได้อยู่ก็าตามความกลัวไม่ไม่มนะี่นี่เราเห็นคุณค่าเราเห็นผลประโยชน์จากสถานที่นี้ด้วยความเพียรอย่างนี้นี่มันก็ยิ่งจะขยับเข้าไปเรื่อยๆเพื่อทําขั้นสูงต้องหาที่เด็ดที่เดียวเข้าไปโดยลำนับเพื่อทําขั้นสูงยิ่งกว่านี้เข้าไป การประกอบความเพียร ใ, ในที่ครับขับขันเช่นนั้นมันเป็นผลประโยชน์เกิดผลได้เร็วยิ่งกว่าธรรมดาเมื่อเป็นเช่นนั้นทุนมีน้อยก็อยากจะได้กำไรมากๆให้ได้ผลมากๆจะทำอย่างไรถึงจะเหมาะสมก็ต้องหาที่เช่นนั้นีิเยศหมอบเรื่นเดิงมันถึงอยู่กับาการทำเห็นทั้งโทษทั้งคุณภายใจิตใจของตัว ผู้หอกลวงผู้ขอควรผู้ยุแย่ต่างๆให้เกิดความส็อกสะท้านหวั่นไหวให้เกิดความกลัวเป็นกลัวตายอะไรมันอยู่ใน จ, ใจิตใจรูมเรื่องของมันอยู่ที่นี่แล้วนั่นก็สงบไอ้เรื่องเหล่านี้สงบแล้วเขาเรียกว่าฆ่าศึกสงบใจก็เย็นสบายอ้าเดินเสือจะกระหึมก็ะหึมอยู่ก็กระหึมเสียงเสียงอันนึงเท่านั้น เ, เขาก็ตายเสือก็มีปา่าช้าเต็มตัวของมัน เราก็มีป่าชาติเต็มตัวของเรารู้อะไรกับสัตว์กับเสือวิริยดกาดหงอยดอดเวลาทำลายไม่กลัวนี่เอากรงนี้บ่ยเวลาจะเอายิงนจังเหมุนติวเดี่ยเกิดความกล้าหาญทานไทยขึ้นมามันจะมีสักกี่ร้อยกี่พันตัวก็มาเถอะเสือเนี่ยเราก็เป็นสัตว์เกิดจกเจ็บเจ็บตายด้วยกันเหมือนสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นนหะไม่เห็นมีอะไรยิ่งหย่อนกว่ากันเนี่ยมันคิดไปอย่างนั้นมันรู้ไปอย่างนั้นเถอะจิตก็เลยรื่นเริงบันเทิงสบาย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 ความเชื่อถือได้พ้นลงไปท่านว่าอันนี้จังอะไรเป็นอันนี้จังดูให้มันเห็นชัดเจนตามความจริงที่พระองค์สอนไว้เป็นความจริงล้นวนนั้นเวลานีจจิท่องเรามันปลอมอันนี้เป็นไอจังมันก็ว่านิจจังอันนี้เป็นทุกขังมันก็ว่าสุขขังอันนี้เป็นอัตามันก็ว่าเป็นอัตตาอัดตัวตนอยู่นั่นล่ะอะไรๆมันก็ไปกว้านว่าเป็นตัวเป็นตนไป็หมดแล้วทังก็ฝืนทําพระพุทธเจ้าเมื่อเข้าสู่ในที่ขับขันเช่นนั้นแล้วมันไม่ฝืนมันยอมเมื่อยอมพระพุทธเจ้าแล้วมันก็เห็นธรรมเท่านั้นล่ะ อย่างน้อย ก, ก็คือสมรนถธรรมคือความสงบเย็นใจยิ่งกว่านั้นก็คือความเฉลียวฉลาดทางด้านปัญญาแยกธาตุแยกขันธ์เห็นอย่างประจัดเวลาเห็นชัดเจนแล้วก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไรนี่พระพุทธเจ้าตัสได้ชอบแล้วชอบจริงๆ<ม>เปิดเผยอยู่ด้วยความจริงสอนด้วยความจริงสิ่งที่สอนนั้นก็มีเป็นความเปิดเผยตามธรรมชาติของตนไม่มีอะไรปิดบงังลี้ลับนอกจากความโง่ซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสเท่านั้นปิดบังตัวเองไม่ สามารถที่จะรู้ความจริงที่เปิดเผย อ, อยู่ตามหลักธรรมชาติของตนได้นานมันก็รู้เข้ามาแล้วให้ถือนี่แหละเป็นสนามรบเป็นสถาน ท, าที่ทํางานที่เรียกว่ากรรมฐ า, านกรรมฐ า, านน่ะพิจารณาตรงนี้แหละมันติดที่ตรงนี้ไม่ติดอะไรเลยเป็นหลักสําคัญติดตรงนี้ก่อนท่องค้าดูฐ า, านหนึ่งฐดูทุกแง่ทุกมุมแห่งอวัยวะ เมื่อถึงการที่มันจะซึมซาบแล้วมันก็เหมือนไฟได้เชือ้อมันต่อไปไหม้ลุกลามไปเรื่อยๆนี่ถึงความความรู้ขั้นปัญญาที่จะซึมซาบไ้เห็นอวัยวะส่วนต่างๆซึ่งมีความเสมอกันมีความเหมือนกันมันก็เป็นอย่างนั้นมันแทงทะลุปุ่งไปหมดหายสงสยัยปล่อยวางได้ตามความจริงเบาวิวอะไรการพิจารณาพิจารณาอย่างนั้นเนี่อตัวจริง ตำลับตำลาท่านสอนไว้มากน้อยเพียงไนกี่คำภีรสอนเข้ามาหาตัวกินนี้ทั้งนั้น hmm. เป็นสมาธิเนี่ย mm. อะไรเป็นสมาธิห mm. นังสือไม่ได้เป็นสมาธิเป็นตัวหนังสือกิเลสหนังสือไม่ได้เป็นกิเลสใจของเราเป็นกิเลสเนี่ย mm. ปัญญาหนังสือไม่ได้เป็นปัญญาเป็นชื่อของปัญญาต่างหากเป็นชื่อของกิเลสเป็นชื่อของกองทุกต่างหาก mm. ตัวทุกจริงๆคือตัวของเราตัวกิเลสจริงๆคือใจของเราเนี่ยตัวปัญญาจริงๆอยู่ที่ใจของเราเนี่ย ตำราท่านสอนชี้เข้ามาที่นี่ที่นี่ที่นี่จิงว่าให้โอปัญายิโกน้อมเข้ามาสู่ตัวของเราให้เห็นความจริงอยู่ในสถานที่นี่นความมืดนิดปิดตา ม, มันก็ปิดอยู่ที่นี่การพิจารณาด้วยปัญญาก็เพื่อจะเปิดสิ่งที่ปิดกำบังอันฝืนจากทำฝืนทำทั้งหลายนั้นให้ออกไปถึงความขั้นความจริงนีจิตใงเราก็จะโล่งจะได้เห็นตามความจริงโลโกบิถูรู้แจ้งโลกรู้แจ้งอะไร ทำไมจะรู้แจ้งสิ่งปิดบังอยู่ภายในธาตุในกานของเราเนี้ก่อนอื่นไม่มีอะไรจะรู้ต้องรู้ที่นี่ก่อนทุ ก, ก็ปิดบังเชื้อโมทัยก็ปิดบังเมื่อเกิดทุกข์ขึ้นมาก็ทําที่ไหนก็ล้มเหลวไปหมดเนี่ยมันปิดบังมันทําลายทำทั้งหลาทั้งหมดวิริยะธรรมก็ถูกทําลายสติปัญญาธรรมก็ถูกทําลายขันติธรรมก็ถูกทําลายด้วยอำนาจแห่งทุกข์เนี่ยถ้าสติปัญญาไม่สามารถแก้ก้า ไม่มีความอันตรายจริงจะเปิดความทุกข์นี่เป็นของจริงขึ้นมาไม่ได้ทั้งๆที่ทุกข์นั้นเป็นของจริงอันหนึ่งแต่เราก็พลาออกมาเป็นของปลอมเป็นฟืนมั็นไฟเผาจิตใจของเราจนแหลกเล้วไปได้หาความเพียรติดต่อกันไม่ได้เลยเพราะทุกข์นี่เข้าไปทําลายเนี่ยอะไรปิดบังจิตใจก็ทุกข์นี่เองเป็นเครื่องปิดบงังฮึมชาวมุทายก็เหมือนกันคิดอะไรหลอกขึ้นมาตั้งแต่เรื่องปิดบงังตั้งแต่เรื่อง จอมปอมทั้งนั้นเราก็เชื่อมไปโดยลําดับๆก็ยิ่งเพิ่มทุกขึ้นมากมายกายกองต้องใช้สติปัญญาออกมาเปิดสิ่งอย่างนี้ให้เห็นตามความจริงของมันเหมือสติปัญญาจาะเข้าไปถึงไหนรู้เข้าไปถึงไหนความปล่อยวางหรือความรู้แจ้งเห็นชัดมันจะปรากฏขึ้นมาเด่นขึ้นมาแล้วความปล่อยวางมันจะเป็นไปเองค่อยปล่อยวางไปเรื่อยๆทีนี้มันก็หมดปัญหา ทำมธาธาตุ่าขันเออพระพุทธเจ้าท่านสอนมาได้ 2,500 กว่าปีนี้ด้วนแล้วตั้งแต่เป็นความจริงตลอดมาจนกระทั่งปัจจุบันทําไมถึงมาเพิ่งทราบกันวันนี้รู้กันวันนี้ธาตุขันนี้มาตั้งแต่วันเกิดทําไมแต่ก่อนไม่เห็นกายของเราเป็นอนิจังก็ไม่เห็นเป็นทุกขังก็ไม่เห็นเป็นอนาตาก็ไม่เห็นเป็นอสุภาุพังอะไรทั้งๆมันก็เป็นความจริงมานอยนั้นมันก็ไม่เห็นแล้วทำไมเพิ่งมาเห็นกันวันนี้สิ่งเหล่านี้เพิ่งมีในวันนี้เท่านั้นเหรอ มีมาตั้งแต่วันเกิดแต่เพราะความมืดมิดปิดตามันบังอยู่ทั้งหมดอยู่กับตัวเราก็ไม่เห็นตัวเราอือยู่กับนิจังก็เห็นหนิจังอยู่กับทุกขงังก็เห็นทุกครังอยู่กณบต า, าก็เห็นานาาัตาแล้วจะเห็นธรรมคือความจริงแท้นแน่นอนได้ที่ไหนเมื่อสติปัญญาอย่างปัานนี้มันก็เปิดเผยออกไปเรื่อยๆไม่ต้องบอกเรื่องอุปทานจะขาดสะพันแต่มากน้อยเพียงไรนั้นขึ้นอยู่กับสติปัญญาให้พิจารณาสติปัญญาหรือให้ขีดสติปัญญาขึ้นให้ดีเราอย่ากลัวจิตตาอย่ากลัวจิตชิพหาย อยกลัวจิตล่มจมธรรมชาตินี้ไม่ล่มจมเพราะธรรมชาตินี้เท่านั้นที่จะพิจาราสิ่ทั้งหลายสิ่งเหล่านั้นก็มาอาศัยธรรมชาตินี้อยู่ด้วยการไปถ้าเราหลงก็ถือว่าเป็นเราแล้วถึงนั้นก็เป็นภัยต่อเราได้ถ้าเรารู้โลกต่างอันต่างกินอยู่อย่างสะดวกสบายอยที่ตรงนี้นักรบต้องเป็นผู้กระหายต่อความจริงให้เห็นความจริงจิตเป็นผู้ที่ ชอบรู้ชอบเห็นมีสายอยากรู้อยากเห็นอยู่ตลอดเวลาขอให้น้อมความอยากรู้อยากเห็นนั้นเข้ามาสู่สัจธร ร, รมให้อยากรู้อยากเห็นสัจธรรมคือความจริงพระพุทธเจ้าสอนว่าจ ร, ริงจริงแค่ไหนให้เห็นด้วยสติปัญญาของตัวเจะเป็นที่หายสงสัยว่าอ๋อพระพุทธเจ้าสัจธรรมเป็นของจริงจริงอย่างนี้อย่างที่เราเห็นปัจจุบันนี้ทุ ก, ก็จริงอย่างนี้สมุทัยก็จริงอย่างนี้ปัญญาก็จริงอย่างนี้นะอะไรจิตก็จริงอย่างนี้ เห็นได้ชัดชหายสงสัยเรื่องพระพุทธเจากก้าหายสงสัยเรื่องความภาคเพียรของพุทเจ้าที่ทสมบูรเป็นอย่างไรหายสงสัยอุบายวิธีต่างๆที่ทรงสอนไว้หายสงสัยไปทั้งหมดนักเมื่อถึงขั้นหายหายไปโดยลําดับลําดับนั่นตรงพิจารณาขันของเรานี้เอาให้ดี ยินเป็นหัวเลียวหอต่อโดยแล้วเราจะนอนใจไม่ได้เอาลงให้เห็นเหตุเห็นผลกันจนกระทั่งสิ้นลมอ่าลมมันสิ้นไปจากตัวของเรานี้มันก็ไม่คิดหายมันก็ไปเป็นลมตามเดิมมันทานจากเราไปตัางหากเนี่ยคำว่าเราเอาดินเอาน้าเอาลมเอาไฟมาเป็นเราเนี่ยดินสลายลงไปจากคำว่าเราอันี้ก็ไปเป็นดินน้า ส, สลายลงไปจากคำว่าเรานนี้ มันก็เป็นน้ำไปเป็นลมไปเป็นไฟธรรมชาติคือใจนี้ก็เป็นใจแยกกันให้เห็นตามกำลังของจิตปัญญาของเราอย่าทอ้อถอยนี่แหละความช่วยตัวเองช่วยอย่างนี้ไม่มีผู้ใดที่จะสามารถไปช่วยเราได้ยิ่งถึงท่านจําเป็นจําใจท่านจนกเกาะเกินมุมจริงๆแล้วมีแต่นั่งดูกันเฉยๆนั่นแหละ ไม่มีใครที่จะช่วยเราได้ถ้าเราไม่รีบช่วยของเราด้วยสติปัญญาสต า, างเพียนเร า, าเแียตั้งแต่บัดนี้จนเป็นที่พอใจเป็นที่แน่ใจไม่มีทางอื่นความต้องการเราไม่มีความหมายถ้าความเพียนไม่เป็นเครื่องสนับสนุนความเพียนจึงเป็นสิ่งจาพันอดทนต่อความจริงอดทนต่ อ, อต่อธรรมไม่เสียหายเราอดทนต่อสิ่งอื่น เราตรากตรำอะไรต่อสิ่งอื่นเราเคยตรากตรำ ม, มามากแล้วเราเคยฟังว่าเราเคยเนี่ยแล้วสิ่งนี้ทําไมเราจะไม่สามารถพระพุทธเจ้าไม่ทํามะพริพจ้าไม่จะเพชะฆาตพอจะฆ่าคนผู้มีความเพียรอันกล้าหาญให้ชิพหายวายพวงไปนี้นอกจากจะฆ่าที่เรอศอาชวะซึ่งเป็นตัวฆ่าสิ่งอุพาณาจิจใจให้เราลุ่มหลงไปตามนี้เท่านั้นไม่มีอย่างอื่นเหตุเกินนาลงให้เห็นชัดเจนดูให้ดี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 เดินตามหลักความจริงที่พระเจ้าทรงสอนไว้รั่งนี้และรู้ตามนี้แล้วจะไม่มีอะไรเป็นปัญหาธาตุก็ธาตุขันก็ขันให้ชื่อวันยังไงก็เธอเขาก็เป็นสภาพของเขานั่นแหละเราผู้ให้ชื่อเขาว่านี่เป็นธาตุนั่นเป็นขันนี่เป็นรูปนั่นเป็นเวทนานั่นเป็นสัญญานี่เป็นหลักฐานนี่เป็นยัญญาขอให้ปัญญามันรู้ทั่วถึงเท่านั้นแหละมันก็หมดสมมุติไปเองสิ่งเหล่านี้ไม่ไปสมมุติมันเป็นอาการอันหนึ่งๆเท่านั้นที่จิตแยกออกไปทราบจิตแยกออกไปให้ความหมายต่างๆ เมื่อทราบความหมายงจิตสอย่างเดียวเท่านั้นสิ่งนั้นทั้งทั้งหลายนั้นมันก็เป็นความจริงของมันล้วนๆจิตก็มาเป็นความจริงของตนล้วนๆแล้วไม่ข้าเข้ากันนี่ขึ้นหน้าเห็นชัดอย่างนี้เห็นสิ่งเหล่านั้นแล้วก็ค้นลงไปี่มันอะไรจิตดวงนี้มันทําไมมันขยันนะักเรื่องเกิดเรื่องตายทั้งทั้งที่โลกก็กลัวกันทั้งหนาเราเองก็กลัวเรื่องความตายแต่ทําไมความเกิดจความเกิดนี่จึงขยันนะตายแล้วปั๊บเกิดปุ๊บฮะเกิดปุ๊บกรแบกกระทุกปุ๊บพร้อมกัน ทำไมจึงขยันนักนพิจารณาให้มันเห็นมันเกิดขึ้นไปจากเรื่องอะไรถ้าให้เกิดถ้าไม่ใช่จากจิตซึ่งเป็นมีเชื่ออันสาคัญแฝงอยู่ภายใ น, นจะเป็นอะไรพาให้เกิดพาให้เกิดเป็นทุกเกิดเป็นบอกเกิดแทนทุกนั่นพิจารณาลงไปค้นลงไปอา้าอะไรจะทิพยหายให้เห็นให้รู้เพราะเราต้องการหาความจริงนี่ อะไรจะชิปหายไปให้มันรู้ด้วยปัญญาของเรารู้ด้วยจิตของเราอะไรไม่ชิปหายก็ให้รู้ด้วยจิตของเราอีกนั่นแหละจะหมดปัญหาที่จุดนั้นปัญหาอย่าอยู่ที่จิตกว้านอะไรอะไรเข้ามารวมไว้ในตัวหมดกว้านเอาไปข้างนอกแต่กว้านในข้างนอกเข้ามาพราะถูกตัดด้วยสติปัญญาแล้วก็หมดตัวเข้าไปอยู่ภายในอืมไปหลบซ่อนอยู่ภายในจิตนั้นจิตก็ถือนี่เป็นตนอีกเนี่ยมาหลงอีก เพราะฉะั้นจึงต้องใช้ปัญญาพิจารณาเข้าไปฟันเข้าไปฟาดเข้าไปแหลกละเอียดไปตามๆกันหมดอะไรที่ไม่ใช่ของจริงในใ น, ในธรรมชาติซึ่งมีอยู่ภายในจิตแล้วมันจะสลายตัวไปอันใดเป็นธรรมชาติของตัวเองแล้วจะไม่มีสลายเช่นความรู้เมื่อแยกสิ่งที่แปลกปลอมสิ่งที่แท้จริงมหลายออกหมดแล้วจิตก็เลยเป็นจิตล้วนๆเป็นความบริสุดนั่นทิพหายไปไหนความบริสุทธิ์ แล้วลองค้นหาดูที่ป่าช่างความบริสุทธิ์ป่าช่างแห้กิตนี้ไม่มีให้ปรากฏยิ่งช้ำระสิ่งที่จอมปลอมให้พาให้ไปเที่ยวเกิดนั่นถือร่างนี้ร่างนั้นออกหมดแล้วยิ่งเป็นความเด่นชัดนี่แหละท่านาทําประเสริฐประเสริฐที่ตรงนี้พุ่นแต่กว่า น, นพุ่นนี้แหละเป็นตัวสำคัญลอกตัวเองอยู่ตลอดเวลาสิ่งที่พาให้หลอกมันอยู่ในจิต กินดิ้งกินเป็นเหมือนลูกฟุตบอลนั่นแหละถูกเตะติ้งไปติ้งมาอย่างนั้นฮะนี่เลยนั่นแหละมันเตะนี่ต้องฟันขาเหยียดใหมันแหลกที่ทําให้เตะฟันด้วยปัญญาของเราสติของเราไม่แหลกหมดมันโกงแนวนิพานเที่ยงจะไปถามที่ไหนกินพอถึงจุดที่เที่ยงคือไม่มีอะไรที่จะเข้ามาแทรกสิงได้แล้วมันก็ไม่เอ็นไม่เอียง เสมอตัวนั่นแหละสารทิฏิโกรู้กันตรงนี้เป็นสารทิฏฐิโกอันเต็มภูมิปจัจจตังเวริสุบวินโยหีท่านผู้ ร, รู้ทั้งหลายรู้จําพอตนรู้ที่ตรงนี้เป็นจุดจุดท้ายรู้ที่ตรงนี้แล้วเรื่องก็หมดที่ตรงนี้เรื่องปาช้าทั้งหลายเป็นความเกิดความตายมาเท่าไรเท่าไรแล้วมาดับกันที่ตรงนี้นี่เรียกว่างานล้างป่าชา้าคืองานกรรมฐาน อย่างงานล้างป่าช้าของตนล้างที่ตรงนี้พบน้อยพบใหญ่อะไรออกให้หมดให้ไม่เหลือนี่ผลที่เกิดขึ้นจากการประพฤติปฏิบัติตั้งแต่ขั้นเริ่มแรก<ม>เข้าอยู่ในตาในเขาเข้าการฝุกผลประมาณตัวเองไม่ว่าจะอยู่ในสถานที่ใดที่พระเจ้าทรงสั่งสอนพระสงฆ์สาวกให้ไปเที่ยวกรรมฐานไปเที่ยวแบบนี้เนี่ยที่คาว่ากรรมฐานนี่ก็มีอยู่กับทุกคนไม่ว่านักบวชไม่ว่าฆราวา กรรมฐานคืออะไรเจสาหลุมมานะคะันต า, าแต่โจนันปัญจะก็พระจะปัญจกะกรรมฐานแปลว่ากรรมฐานมีหนังเป็นที่ห้าเป็นคํำรบผ้ามันก็มีอยู่กับทุกคนนี่ไม่ว่าจะพระแต่ห น, นี<ม>พิจารณาตรงนี้มันก็เรียกว่าพิจารณากรรมฐานเที่ยวอยู่ตรงนี้ก็เรียกว่าเที่ยวกรรมฐานหลงกับหลงอันนี้พิจารณานี้ดูแล้วก็รู้กรรมฐานถอดถอนกรรมฐานถอดถอนพบถอดถอนภาดเลือว่าต้องสารเลือดที่ตรงนี้ ดวง้าไปก็ไปรื้อที่จิตใจก็หมดปัญหาที่ตรงนั้นนั่นแหละกรรมาฐานสมบูรณ์แล้วพูทธิตังประมาจาริยังเสร็จคือพระมจรจรันได้อยู่จบแล้วจบที่ตรงนี้จบทุกสิ่งทุกอย่างศา ส, สนาลงที่จุดนี้เมื่อถึงจุดนี้แล้วพระพุทธเจ้าไม่ทรงส อ, งสอนอะไรต่อไปอีก พราศาสนาศาสนาธรรมมุ่งถึงจุดนี้คือคือมุ่งล้างปากชาของสัตว์ที่ตรงนี้เมื่อถึงจุดนี้แล้วก็เป็นอนหมดบรัญหาสาวกจะอยู่ด้วยกันเป็นกี่ร้อยกี่พันองค์ก็ตามท่านจะไม่มีอะไรสอนกันให้เพื่อการบำรุงอย่างนั้นบำรุ ง, งนี้แม้จะลุมล้อมพระพุทธเจ้าอยู่ก็ตามพระองค์ก็ไม่ทรงสอนเพื่อการละก่เลสเพราะได้ละกันหมดทุกสิง่งทุกอย่างดังที่พระอ้า โอวาทปฏิโมกในมาห์ฮะบูชาดังที่เทศเมื่อคือนสรรพปรวัสร า, ากาล น, น, น, น, นังกุจลสู้ประัมภะตะกิจตะประโยชน์ดับปานัอิตังบุทานาสาสนาท่านประกาศหรือวท่านแสรรมมดงเป็นสัมโมดกถาเครื่องรื่นเริงสําหรับสาวกเท่านั้น ม, นรร ม, มาแต่แสดงเพื่อให้สาวกละถอนอะไรทั้งหมดเพราะบรรดาสาวกเหล่านั้นล้วนแล้วตั้งแต่เป็นพระอราหันต์เป็นผู้สิ้นชีวิตอาละหมดโดยประการทั้งปวง การทําบาปก็มีความฉลาดก็ถึงพร้อมจิตก็จนกระทั่งถึงขั้นบริสุทธิ์หมดจดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วถูกต้องตามหลักว่าเอตังมุธาภาาสนังที่เป็นคําสอนของพระพุทธทุกๆองค์แล้วท่านไม่สอนเพื่อละทิเดชอันใดอีกต่อไปเลยพระอรหันต์ อ, อยู่เท่าไรท่านจึงสะดวกสมาทั้งหมดท่านไม่มีอะไรกระทบกระเทือนตนและผู้อื่นเพราะเป็นความบริสุทธิ์ต้องล้นแล้วนี่แต่พวกเรามีกิเลสุภายในไม่ได้ ทะเลาะคนอื่นกับทะเลาะกับตัวเอง <N> ยุ่งกับตัวเองออกจายุ่งตัวเองก็เอาเรื่องยุ่งตัวเองนี่ไปยุ่งคนอื่นอีกละหมาดไปหมดขี้โรคขี้โกรธขี้หลงเอาไปป้ายไปทาคนนั้นทาคนนี้แหลกเห้วไปหมดร้อนโกรธขุดละหมาดวุ่นไปหมดเลยเป็นสภามวยขึ้นมาในวัดในวาอันนี้ก่อนมากม า, กายกต่กองกวเพราะอันนี้ส่งของสกรปรกมีภายใน จ, จิตใจนี่เอง ถ้าหมดไปแ้มนก็หมดปัญหาเอาละการแสดงธรรมก็อยู่ในสมควร